ธัมมะจารีสุขังเสติติติหิมัสสะธัมมปริยายัสสะอัตโธสาทายัสสะมันเตหิสกัตจัง เป็นเวลาของการเวลาของและเป็นเวลาของการปฏิบัติอบรมจิต ฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้ง ลุยอย่างเต็มกําลังความสามารถที่ ได้เพราะวันนี้เป็นวันพระการนับถือซึ่ง มาบำเพ็ญการกุศลนานัปประการตั้งแต่เช้าขึ้น และก็ได้สมาธานก็ได้สมาทานศีล 5 บ้างศีล 8 บ้างได้มีธรรมและก็ปฏิบัติ กายวาจาจิตของตนของตนให้เป็น ภากันมาฝึกฝนในเพื่อ ให้จิตใจของเราท่านทั้งหลายนั้นจิตใจของเราท่านทั้งหลายนั้น การฝึกฝนให้เกิดมีขึ้นในตนของตนอย่างนี้ โดยข้อปฏิบัติเรียกว่า ออกจากต้นของต้นหรือนํา จากกิเลสทั้งหลายทั้งมวลมี อันสูงส่งในไตรภพนี้ได้แก่ ดูชาในคุณของพระสงฆ์ซึ่งสงสารมิใช่ปฏิบัติ มีชอบด้วยศีลและธรรมที่จะนํา การศึกษาศึกษาและการให้มากเท่าที่จะมากได้นอกจากนี้ให้เกิดมีขึ้น การฟังการได้สูดกลิ่นลิ้มรส ศึกษาในตำรับตำราตามกฎกาลเกมหรือ ควรที่จะต้องนําไปๆการสดับ จำจะต้องหมั่นสดับรับฟังอยู่เสมอ และไม่อยู่เสมอถ้าเราได้ฟังสิ่งที่เป็นของ ลืมให้สังเกตดูดีๆเราจะได้ข้อจะได้ข้อเราจะ ในตัวของเรามากถ้าเราตั้งออกตั้งใจฟังฟังกันถึงหูฟังกันถึงจิตถึงใจนั้น แค่หูปิดประตูหน้าต่างทั้งหมดที่ของหูโสดปราสาท ถ้าฟังได้ทําได้ในลักษณะอย่างนี้ การที่คนเรามีจิตใจที่คนเรามีจิตใจ ทรงประธานการบวชจากโกรธของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะ ตามกระแสของทุกพบทุกชาติหูจมูกลิ้นกายจริงตามความ เฉพาะเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายหรือไม่เฉพาะเรานั้นนี่คือประโยชน์ของการ ผิดของกรรมนั่นๆณปัจจุบันในที่นี้อย่างน้อยเราๆมีทั้ง 2 เพศของสัตว์เกิด ถึงแม้จะเป็นเพศเดียวกันก็ต่างเพศหญิงก็คือสัตว์คือมนุษย์คือคนเพศชายก็ ไม่ใช่อะไรเกิดรูปเกิดนามเกิดเกิดรูปเกิดนามเกิดรวมเป็นขันธ์ 5 รูป ไม่เห็นจะมีใครแตกต่างกันออกไปเห็นไม่มีใครมากใครน้อยมี